แต่ต้องสวดเ้าให้มันถึงใจจริงๆสวดแล้วต้องเห็นสังขารของตัวเองนะมันไม่เที่ยงแบบไหนนะเห็นร่างกายที่มันไม่เที่ยงนะเห็นจิตใจที่มันไม่เที่ยงเห็นร่างกายที่มันเป็นทุกข์นะร่างกายมันเป็นทุกข์นะจิตใจก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันทนอยู่ไม่ได้นะไม่ใช่แค่ทนในการนั่งในการเดินในการยืนการนอนแค่นั้นนะทนหมายถึงว่าทนที่มันจะอยู่ในสภาวะ สภาวะเดิมไม่ได้น่ะมันเปลี่ยนแปลงของมันนะทุกที่เห็นทางภายนอกก็ดีทุกที่เห็นทางภายในก็ดีนะมันสภาวะที่เรียกว่ามันทนไม่ได้นะถ้ามันทนได้มันไม่เปลี่ยนหรักนะถ้ามันทนได้มันก็อยู่คงทนถาวรมันเห็นร่างกายเห็นจิตใจที่มันเป็นเรื่องที่เราบังคับบัญชาไม่ได้น่ะมันไปของมันเองมันเป็นของมันเองน่ะมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็เป็นแบบนั้นของมันเอง เนี่ยเราสวดมนต์เราทําวัดเน่ยเป็นสิ่งที่ธรรมะท่านบอกแนวทางไว้ให้เราอยู่แล้วนะเราฝึกปฏิบัติเราเจริญกรรมฐานก็ดีหรือทําอะไรก็แล้วทําอะไรก็ดีนะเพื่อให้เห็นให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้แหล ะ, ะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนนะเราสวดมนต์ทำวัดนะเราสังเกต ก, ก็ได้เราไม่ได้สวดเพื่อบอกว่าให้เกิดความสุขความสงบแค่นั้นนะบทที่สวดมนมต์ทำวัดนี่ เพื่อให้เรามาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อให้เกิดเป็นความสุขเป็นความสงบแค่นั้นนะเกิดเป็นความสุขความสงบนบางทีเรียกว่าทําแบบสมาธินะก็เกิดเป็นความสงบจิตใจมันเกิดเป็นความตั้งมั่นกลายเป็นความสุขนะแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเพียงพอก็จะติดแค่สมาธินะเดินต่อไม่ได้ ติดแค่ความสงบติดแค่ความสุขเหมือนกับคนที่สบายนะหาเงินหาทองได้มีข้าของเครื่องใช้พออํานวยความสะดวกได้ก็อยู่มีชีวิตอย่างที่สบายมีชีวิตอย่างที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากแต่ชีวิตที่ไม่ต้องดินน้นรนชีวิตที่สบายก็ไม่ใช่ว่าจิตใจจะสบายนะว่าจจะสบายแค่ภายนอกภายนอกไม่ต้องดินน้นรนหาทรัพย์หาอะไรมากมายแล้ว แต่จริงจิตใจมันก็ยังดิ้นดลอยู่นะยังดิ้นดนอยู่พระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยบางทีเรามีทรัพย์ภายนอกมีทรัพย์ภายนอกเพื่อเลี้ยงดูกายนะภายนอกเลี้ยงดูบริวารรอบข้างได้แล้วก็เอาเวลาที่เหลือน่ะเอาเวลาที่เหลือเอามาเลี้ยงดูจิตใจของเรานะเอามาเลี้ยงดูจิตใจที่มันจิตใจที่มันพยศอยู่จิตจิตใจที่มันยังทุกข์อยู่เนี่ยเอาเวลาที่เหลือ มาฝึกหัดตรงนี้แหละนท่านจะบอกเ อ, อมันจะเป็นทรัพย์ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกนะทรัพย์ภายนอกได้มาก็หายไปได้นะมีแล้วก็ดับไปได้เอาตายไปก็ไปไม่ได้นะแต่ทรัพย์ภายในเป็นสิ่งที่เราพึงสแสวงหาให้มันให้มันมากขึ้นนะทรัพย์ภายในเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันติดตัวคงทนแต่จะถาวรหรือเปล่านะก็ไม่แน่นะบางที กุศลนกรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สังเกตนะแค่ความคิดของเราบางทีมันก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีนะอ่บางทีก็คิดเฉยเฉยนะบางทีกุศลมันก็ไม่ได้ว่าจะเกิดทารวณนะอากุศลก็เหมือนกันก็ไม่ได้เกิดทารวณแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงเพราะเห็นความจริงแล้วนะทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ที่สูงสุดไม่ใช่แค่ความดีนะไม่ใช่แค่การละชั่วแต่ทรัพย์ที่สูงสุดคือทรัพย์ที่เกิดจากการ เห็นความจริงของชีวิตนะการเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยเป็นทรัพย์ที่มีค่าที่สุดนะเป็นทรัพย์ที่เรียกว่าไม่มีหน่วยงานไหนมาประเมินประเมินราคาให้ได้นะแต่เราประเมินราคาของเราได้เองประเมินได้โดยการที่เรียกว่าถ้าพบเห็นความจริงตัวนี้แล้วนะรับรองไม่หนีห่างจากตัวนี้แน่นอนเพราะมันรู้ว่าชีวิตก่อนหน้านั้นที่มันผ่านมา ม, มีความทุกข์ ม, มีความมันมีความร้อนนะมันมีความทุกข์มันมีความร้อนออในจิตใจแม้ภ า, ายนอกอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสนะดูภายนอกอาจจะดูสุขสบายดีแต่จริงถ้าเราสังเกตกันก็ได้คนส่วนใหญ่ก็มีความเล่าร้อนมีความทุกข์กันทั้งนั้นอ่าถ้าไม่โกหกตัวเองนะก็มีความทุกขนะ์มีความเล่าร้อนกันทั้งนั้นแหละทุกข์เพราะว่าไม่สมหวังก็ดีทุกข์เพราะว่าพัดผ้าก็ดี หรือทุกข์จากร่างกายก็ดีมันเห็นอยู่แล้วแหละนะแต่จริงมันมีความทุกข์ของร่างกายของจิตใจนั่นแหละนะแม้ไม่เจออะไรมันก็เป็นของมันอยู่แล้วนะเนี่ยมันมีความทุกข์มันมีความไม่สมหวังเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ธรรมะจะช่วยให้เราอยู่เหนือทุกข์ตรงนี้ได้นะทุกข์ที่เกิดจากการพัดภาทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บป่วยทุกข์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ ร่างกายแล้วก็จิตใจพวกนีน้ทุกพวกนี้นะมันเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะทางกายเท่านั้นนะแต่ถ้าเราฝึกขาดภาวนาจริงเราไม่ได้รับทุก์ทางใจนะมันจะเป็นแค่แทุกทางกายที่เกิดขึ้นกับขากับอวัยวะของเราหรือเป็นทุกข์ที่เกิดจากการพัดพาจากสิ่งภายนอกแต่จริงจิตใจเราไม่ได้พัดพาจากสิ่งใดเลยนะบางคนอาจจะพ่อแม่เสียชีวิตไปพัดพา บางคนลูกเสียชีวิตไปนะสูญเสียคนที่เป็นที่รักนะก็มันก็เป็นธรรมชาติมันก็เป็นการพัดภาคู่แล้วไม่เราพัดภาเขาไปเขาก็พัดภาเราไปแต่จริงถ้าเราหูตาว้องไวดีๆนะจิตใจเราปลอดโปร่งดีๆนะไม่ได้พัดภาไปจากไหนเพราะจริงมันไปแต่เพียงร่างกายแต่คุณธรรมที่มันฝังใจของเราอยู่เนะี่ย ก็ยังอยู่กับเราตลอดนะก็ยังอยู่กับเราเอาคุณงามความดีมาระ ล, ลึกถึงอยู่เสมอไม่เป็นการพัดพาไปที่ไหนเหมือนเราสวดมนรรมต์ทำวัดสวดระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไหนเลยนะสวดมนรรมต์ทำวัดคิดถึงพุทโธนะความเป็นสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความมีสภาวะที่มีการณาที่คุณนะช่วยเหลืออา่า มนุษยชาตินะช่วยเหลือสัตว์โลกต่างๆนะทั้งที่มองเห็นทั้งที่มองไม่เห็นนะแค่สวดมนรรมต์ทำวัดก็เลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะเ ล, ลึกไปก็อิ่มใจไปด้วยนะเ ล, ลึกไปก็เข้าใจเข้าใจในจิตใจของผู้ที่เบิกบานนะว่าท่านเป็นอย่างไรนะเบิกบานและไม่ใช่เบิกบานแค่คนเดียวนะทําให้คนอื่นเบิกบานด้วย ทำให้โรคนี้เบิกบานไปด้วยคล้ายๆดอกไม้นะสังเกตคล้ายๆดอกไม้เวลาดอกไม้ปริบานขึ้นมานะไม่ใช่แค่เขาสวยงามเท่านั้นคนที่มองเขาก็มีจิตใจที่สวยงามเบิกบานไปด้วยนะดอกไม้อที่เป็นดอกไฟนอกก็ยังสวยงามได้ขณะที่พบเห็นหรือขณะที่ระลึกเห็นคุณของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านก็เบิกบาน ให้เราได้เห็นอยู่เสมอในขณะที่สวดมนต์ก็ดีในสมาีิได้ระลึกถึงก็ดีนะในจริงนะดอกไม้ที่มันจะบานได้จริงๆนะเป็นดอกไม้ที่เราไม่แค่แค่ระลึกถึงแต่เป็นดอกไม้ที่ถ้าเราสร้างขึ้นให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะสร้างขึ้นให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยการหมั่นภาวนาเนี่ยแหละเราจะเห็นความเบิกบานที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ ทุกเมื่อนะเกิดขึ้นได้อาจจะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแบบทาวน์ตลอดเวลาแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะความรู้สึกตัวนี่แหละคล้ายๆเป็นดอกไม้ที่มันบานขึ้นภาในใจของเรานะรู้สึกตัวครั้งหนึ่งนะจิตใจของเราแช่มชื่นเบิกบานรู้เนื้อดูตัวนี่แหละนะความทุกข์มันหายไปนะความเศร้าหมองมันหายไปมันมีความตื่นรู้มันมีความสดชื่นมันมีความเบิกบานเกิดขึ้นนะ แม้หน้าตาบางทีอาจจะเรียบเรียบเฉยเนะแต่จิตใจมั น, ม, นมันหายจากความทุกข์มันมีความสุขในน้อย่อเลี้ยงอยู่ตรงนั้นแหละนะเนี่ยเราสามารถสร้างสร้างความสุขหรือสร้างความไม่ทุกข์สร้างความเบิกบานได้ภายในจิตใจของเราจากการเิียงแค่รู้สึกตัวครั้งหนึ่งนะถ้าโยมสังเกตก็ได้นะขณะที่เรารู้สึกตัวนะเราไม่ทุกข์แล้วนะครั้งหนึ่งนะรู้สึกตัวหนึ่งครั้ง ความกังวลต่างๆที่เคยกังวลมามันก็หายไปความคิดมันก็หายไปนะความคิดก็ดาหายไปหรือบางทีบางคนอาจจะคิดในใจหรือว่าเทียนในใจเออบางทีก็มันก็ไม่หายนะมันก็ยังกลับมาคิดใหม่อันนั้นก็เป็นเรื่องของมันนะมันกลับมาคิดใหม่ได้เราก็สามารถรู้สึกตัวใหม่ได้เหมือนกันนะนนหรือบางทีอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราม <Tim> ันเกิดขึ้นแล้วเราก็ว่าเรารู้นะ รู้แต่มันไม่หายไปก็เป็นเรื่องของมันนะบางทีความโกรธมันเกิดขึ้นเรารู้อยู่มันโกรธแต่มันยังไม่หายไปความรักความหลงเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่มันเกิดขึ้นแต่มันไม่หายไปแต่บางทีเราก็ลืมไปว่าที่จริงเราก็มัวแต่ไปคิดว่าทำยังไงมันถึงจะหายนะทำยังไงมันถึงจะหายนะไปคิดที่จะไปจัดการความรักความโลภความโกรธความหลงนะ ไปคิดที่จะไปจัดการความคิดมันก็ได้เอาความคิดไปจัดการความคิดนะพอเราเอาความคิดไปจัดการความคิดหรือเอาความคิดไปจัดการอารมณ์นะมันเป็นการจัดการที่ผิดทางนะเราไม่เอาความคิดนะไปจัดการความคิดนะแต่เราเอาความรู้สึกตัวไปจัดการความคิดนะมันต่างกันนะความรู้สึกตัวกับความคิดนี่ต่างกันนะเราไม่เอาความคิดไปจัดการนะความเคยชินของมนุษย์เราก็คือ เอาความคิดไปจัดการจัดการตัวเองบ้างจัดการคนอื่นบ้างแต่ครั้นี้เราจะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างใหม่ก็คือเอาความรู้สึกตัวเป็นตัวจัดการจัดการอารมณ์ต่างๆจัดการความคิดต่างๆจัดการไม่ใช่จัดการในการประหารนะแต่จัดการในการเพียงแค่เข้าไปรู้เขาอย่างที่เขาเป็นแค่นั้นเพียงแค่รู้นะการจัดการในทางพุคือแค่รู้ แค่รู้ว่าอาการไหนมันเกิดขึ้นกับกายกับใจนะแค่รู้มันตรงๆงซื่อๆรู้แบบไม่คิดจะไปจัดการต่อรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เออแค่นั้นพอนะหลวงพ่อคงเขียน ใ, นใช้ว่ารู้ซื่อๆนะคำว่ารู้ซื่อๆนี่เป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้งมากซื่อๆก็คือการที่ไม่เข้าไปเข้าไปจัดการรู้แล้วก็ไม่ไปปรุงต่อ ทั้งทางดีทางไม่ดีนะทั้งทางชอบทางไม่ชอบรู้เฉยๆอย่างที่เขาเป็นแม้สภาวะ น, นั้นจะเกิดขึ้นไม่ดีก็ตามนะการแค่รู้เฉยๆนะมันเปลี่ยนจากกันแค่สิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีได้หรือสภาวะนั้นมันเกิดขึ้นมันอาจจะดีนะพอดีคนส่วนใหญ่ก็อยากจะไปติดดีนะดีนี่เป็นสิ่งที่บางทีจะมาว่าน่ากลัวก็ไอ้ที่ไม่ดีนะ ไอ้ที่แม่นะไอ้ที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในใจหรือภายนอกก็ดีนะเราสะดัดทิ้งได้ง่ายนะเห็นของที่ไม่ชอบนี่ใจมันอยากจะสะดัดทิ้งไปก่อนนะแต่เห็นของที่ชอบนี่ใจมันอยากจะยึดอยากจะถือนะของที่ดีนะบางทีน่ากลัวของที่ของที่ไม่ดีนะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นความโกรธแบบนี้ยมันละได้ง่ายมากนะความหงุดหงิดแบบเนี้ยมันละได้ง่ายเพราะเรารู้ว่ามันไม่ดี รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะรู้ว่าเป็นทุกข์เพราะว่าจิตใจเราก็ทุกข์ให้เห็นชัดๆแต่การที่มันเกิดขึ้นที่มันดีนะเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความสบายนะบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นตัวทุกข์นะเรารู้แต่ว่าเราชอบพอรู้ว่าเราชอบเราก็เลยอยากจะยึดอยากจะถืออยากจะเอาไว้นานๆนะถ้ามันสงบมันสุขก็อยากจะให้มันมีนานๆ ถ้ามันสบายก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นนานๆ น, น, นะอ่ก็คิดกันแต่แบบนั้นพอคิดแบบนั้นก็เลยไปยึดสิ่งอันนั้นนะที่จริงถ้าเรามีสติปัญญาบ้องไว้สักหน่อยก็จะเห็นว่าที่จริงสิ่งอันนี้นะมันก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานหรอกแต่มันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปเองแต่ถ้าเมื่อใดที่เราไปยึดไปถือถึงนนั้นนะเหมือนคล้ายๆเราเดินอยู่กับที่นะหยุดอยู่กับที่ไม่กล้าเดินไปต่อเหมือนคล้ายๆเราเดินทางละ่ะ เจอที่ตรงไหนมันร่มนะก็อยากจะพักมันสบายนะแต่สังเกตก็ได้นะที่ที่มันร่มก็ไม่ได้ร่มถาวรหรอกนะถ้าร่มจากต้นไม้พระาทิตย์มันก็ค้อยไปเรื่อยๆตามเวลาของมันสักพักจากที่เคยร่มก็กลายเป็นที่ที่ร้อนได้นะความสุขความสบายที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็เหมือนกันมันก็มีเหตุของมันเหมือนกันมันเกิดขึ้นแต่เหตุที่มันจะอยู่ได้นานหรืออยู่ไม่ได้นานนะเป็นอีกเรื่องนึงนะ แต่สักพักมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปของมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวรแต่ถ้าเราไปยึดว่าเนี่ยอยากจะให้มันอยู่ถาวรเนะี่ยวันนั้นเราลงผิดเราคิดผิดนะเราเข้าใจผิดแล้วนะนการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรารู้เท่าทันแล้วรู้เท่าทันจิตใจของเราตรงนี้แหละรู้เท่าทันจิตใจของเราที่คอยไ ป, ไปยึดสิ่งที่มันดีนะหรือรู้เท่าทันจิตใจเราที่คอยไปผัก สิ่งที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเราแค่รู้เท่าทันความรู้สึกตัวนนคือการแค่รู้เท่าทันการรู้เท่าทันน่ะแค่นั้นหลายคนจะเชื่อว่าทำแค่นี้เหรอทำแค่รู้เหรอทำแค่นี้จริงๆนะการปฏิบัติธรมไม่ได้มีอะไรมากแค่รู้เฉยๆรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจของตัวเองแค่นั้นแหละแต่รู้ไปแล้วมันจะเกิดเป็นความเข้าใจนะรู้ไปแล้วมันเกิดเป็นปัญญานะ ปัญญาที่ไม่เกิดจากการคิดแต่เป็นปัญญาที่จิตมันจำของมันได้ที่จิตมันเปลี่ยนแปลงของมันเองนะปัญญาตัวนี้นะไม่ใช่ปัญญาที่ที่เราอาศัยจากการอ่านการฟังแค่นั้นแต่เป็นปัญญาที่จิตมันอ่านจิตของตัวเองจิตมันอ่านกายของตัวเองอ่านไปแล้วมันเข้าใจของมันเองนะเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยวางของมันเองนะเนี่ยเราอาศัยอาศัยการฝึกสติ เพื่อให้จิตใจของเรามันเปลี่ยนแปลงของมันเองนะเพื่อให้จิตใจมันเปลี่ยนแปลงให้มันรู้เนื้อรู้ตัวตัวนี้แหละมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะอาศัยสิ่งเหล่านี้นักให้เรามั่นใจว่าแค่การฝึกสติเนะี่ยแค่การฝึกสติที่เรายกมือเคลื่อนไหวที่เราเดินจงกลมที่เราทําในรูปแบบไหนก็ดีนะมันก็เพื่อจุดมุ่งหมายเพื่อการกลับมารู้กายรู้ใจของตัวเองเมื่อกลับมารู้กายรู้ใจของตัวเองได้มันก็จะยึดเออจะคลาย จะคลายกันยึดถือตัวตัวเองตัวกูตัวเราเนี่ยมันออกไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆเห็นว่าให้พาะสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเองตัวเราเนี่ยแหละมันไม่ใช่ตัวเราที่มันสร้างขึ้นนะมันเป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับมันเห็นสภาวะสิ่งเหล่านี้นะ เห็นไปบ่อยเห็นไปบ่อยนะจิตใจมันก็ค่อยๆคลา ย, ย, ยกำหนัดนะคลายความยึดมั่นถือมั่นเนาะก็ให้พวกเราพยายามโดยเฉพาะพวกเรามาภาวนากันในช่วงส่งท้ายปีเกนะ่าเนาะตอนรับปีใหม่นะปีใหม่ก็แป๊บเดียวนะปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ผ่านไปเร็วเร็วนะสารยห้าวันห6สหกวันนี่ผ่านไปแป๊บเดียวนะเต้นปีห้าสองก็ ขึสู่ปีห้าสามแล้วก็ให้ตั้งใจนะปีเก่าที่มันผ่านไปเกือบสามร้อยหกสิบห้าวันวนะั้นเลยวันสองวันนะเราก็ผ่านชีวิตมาเยอะแยะนะผ่านชีวิตมาไม่รู้สักหลายรถหลายชาตินะ้ออิ่มหรยังอ <c oughs> ิ่มรถชาติของโด ก, ก็ยัง <c oughs> ที่จริงนะปีหนึ่งก็ผ่านอารมณ์มาเยอะแยะนะที่จริงไม่ใช่แค่ปีหนึ่งแค่วันหนึ่งนี่เรา เราก็ผ่านอารมณ์มาไม่รู้เท่าไหรนะ่เนาะอตื่นขึ้นมานี่ก็ผ่านอารมณ์อารมณ์มความง่วงนะอารมณ์ความซึมนะกว่าจะผ่านมาได้ถึงตรงนี้เนาะบางคนก็ใช้เวลานะใช้ความอดทนนะแต่บางคนที่เคยฝึกมาบ่อยๆก็โอ้ผ่านได้ง่ายนะแต่คนใหม่ๆนะมาอยูว่วัดใหม่ๆโอตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่นี่เป็นเรื่องที่ลำบากต้องฝืนตัวเองนิด น, นึงนะเนี่ยเราก็ผ่านอารมณ์ตั้งแต่เช้าจะ ด, ดัดค้ามนะ ในการปฏิบัตินะเราก็จะผ่านอารมณ์เยอะแยะนะการเดินจงกลมนะไม่ใช่เป็นการแค่เดินผ่านในทางเดินเฉยๆนะจะจริงเป็นการเดินผ่านอารมณ์ของตัวเองนี่แหละนะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันผุดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยนะเป็นความคิดนะที่มันผุดขึ้นเนี่ยมันมามันผุดขึ้นมาเพื่อให้เราผ่านนะมันผุดขึ้นมาเพื่อให้เราผ่านไม่ใช่ผุดขึ้นมาเพื่อให้เราติดนะบางคนจะสงสัยเดินจงกลมยกมือทําไม ความคิดมันเยอะเหลือเกินนะความคิดมันเยอะเหลือเกินอารมณ์มันมากเหลือเกินหรือบางคนบอกว่าอารมณ์มันแดงกว่าเก่านะแดงกว่าเก่าไม่เคยง่วงขนาดนี้มันก็ง่วงนะถ้าอยู่ที่บ้านที่ทํางานไม่ไม่ง่วงขนาดนี้นะแต่พอมาเดินจังกลมมายกมือทําไมง่วงนักนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานไม่เห็นมันคิดมากขนาดนี้นะมาปฏิบัติธรรมทำไมมัคิดมากนะหรือวิงีอารมณ์มันมันชัดมันแดงกว่าเก่านะที่จริง สิ่งเหล่านี้นะ่าจะเป็นความง่วงก็ดีนะ่าจะเป็นความคิดก็ดีหรืออาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตก็ดีนะที่จริงอยู่ในที่ไหนๆมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแหละแต่เกิดขึ้นแล้วขณะที่เราไปสนใจสิ่งอื่นไปสนใจอยู่กับงานไปสนใจอยู่กับผู้คนไปสนใจอยู่กับสิ่งภายนอกเราก็ดื่มดูตัวเองนะมันเกิดขึ้นนะแต่เราไม่รู้จากตัวเองเฉยๆไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นนะ มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเราก็เลยคิดว่ามันไม่มีนะแต่จริงพอเรามาปฏิบัติธรรมเรากลับมาเห็นตัวเองนะกลับมาเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแะมันเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรามันมากกว่าเก่ามันหนักกว่าเก่านะในจริงมันเท่าเก่านั่นแหละนะมันมีเท่าเดิมของมันนั่นแหละนะมันก็เกิดขึ้นแบบนั้นของมันเองนั่นแหละนะเราก็มีหน้าที่เพียงแค่ คอยรู้เนาะรู้ใหม่ๆนะมันอาจจะรู้สึกว่ามันมันอึดอัดบ้างมันยากบ้างมันลําบากบ้างนะแต่ก็เป็นธรรมชาติของของใหม่ๆของสิ่งใหม่ๆแหละนะยังไม่คุ้นเคยยังไม่คล่องนะยังไม่ชํานาญนะมันก็ดูยากดูลําบากดูอึดอัดดูน่าเบือ่อดูเครียดบ้างนะดูเก่งบ้างนะสําหรับคนยกมือใหม่ๆอาจจะเกง่งเดินใหม่ๆอาจจะเก่งบ้างนะแต่ลองฝึกไปบ่อยๆนะ มันจะเกิดเป็นความชำนาญกลายเป็นศิลปะในการเดินจมกลมกลายเป็นศิลปะในการยกมือสุดท้ายนะมันจะกลายเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตทั้งหมดนะเราฝึกจากการเดินจมกลมฝึกจากการยกมือนะไม่ให้มันดูเนื้อดูตัวกับตรงนี้นะพอฝึกไปเรื่อยทั้งชีวิตในการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นจนดับนะมันจะกลายเป็นความรู้สึกตัวได้นะกลายเป็นความรู้สึกตัว โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะโดยที่ไม่ได้บังคับเพียงแค่ขยับขยื่นนิดนึงนะจิตมันก็จะตื่นรูกายตื่นตื่นูใจของมันเองนะเราฝึกตรงนี้แหละฝึกไปไม่ใช่แค่คิดว่าเออก็ต้องทำในรูปแบบตลอดเวลาหรือเปล่าไม่จําเป็นนะแต่ถ้ามีโอกาสควรทำนะไม่ใช่ไม่จาเป็น้วไม่ทำนะมีโอกาสควรที่จะทำนะอยู่ที่วัดนี่ยเรามีโอกาสเต็มที่เราก็ทาเต็มที่นะ ถ้าไม่มีการงานภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่จริงมีการงานภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องก็สามารถรู้สึกตัวได้เหมือนกันนะรู้สึกตัวได้ในขณะที่ทำการทำงานรู้สึกตัวได้ในขณะที่กินที่ดื่มนะรู้สึกตัวได้ขณะที่เดินไปที่ไหนก็ได้นะเราสามารถเติมความรู้สึกตัวเข้าไปความรู้สึกตัวก็คือแค่การกลับมาดูตัวเองแค่นั้นแหละนะอย่าไปคิดว่าแค่รูปแบบในการยกมือในการเดินแค่นั้น การที่เรากลับมาดูมารู้เท่าทันตัวเองนั่นแหละคือความรู้สึกตัวนะเราพยายามฝึกหัดกันตรงนี้ามาอยู่วัดก็อาศัยในรูปแบบเป็นหลักเนาะก็วันสองวันสามวั น, วนที่เราอยู่ในช่วงปิดปีใหม่เนี่ยก็พยายามดองกลับมาดูตัวเองมันเยอะๆนะทบทวนชีวิตที่มันผ่านม า, าในปีหนึ่งที่มันผ่านไปหรือว่าสามสิบสี่สิบปีที่มันบางคนก็ ห0สิ 60, ปีแล้วนะผ่านชีวิตมานานมากนะนานมากแล้วผ่านรสชาติมาเยอะแยะนะหากหลาอารม์ละนะต้องทบทวนตัวเองดูว่าชีวิตที่มันผ่านมาเนะี่ยที่เราว่าชีวิตเรามันมีความสุขหรือบางทีชีวิตเรามันมีความทุกข์หรือมันก็สุขสขุทุกทุ ก, ทกปนปนกันไปนะนะมันก็เป็นแบบนี้จนทุกคนนะั่นแหละนะแต่จะทําชีวิตตัวเองต่อไปข้างหน้าให้มันเรียกว่า มันมีความทุกข์ลดลงได้อย่างไรนะมันสามารถพบความสุขที่เรียบง่ายขึ้นได้อย่างไรนะนะเราต้องมาทบทวนชีวิตกันตรงนี้ดูเนาะพอเราทบทวนชีวิตตรงนี้ได้เพราะว่าชีวิตที่มันผ่านมานะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์นะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ได้นะชีวิตที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นแต่ชีวิตในวันข้างหน้าต่อไปเราจะเดินไปสู่ทางที่มันล่มเย็นขึ้นเติมไปสู่ทางที่มันมี ความสุขง่ายขึ้นเดินไปสู่ทางที่มันทุกน้อยลงจนกระทั่งดับทุกไปเรามาตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ของเราด้วยวิธีนี้ดีไหมนะเป้าหมายในชีวิตของปีหน้านะสองพันห้า้อยห้าสิบสามเป็นต้นไปนะจะตั้งเป้าหมายชีวิตว่าจะเดินสู่ความไม่ทุกนะเดินสู่พานิพานนะแต่อาจจะไม่ต้องรอถึง2 5งพันไ้า้อยห้าสบสาวนนะอีกวันสองวันนี้ก็ต้องเอาก่อนนะอ่า ตั้งแต่วันนี้แหละนะเอาตั้งแต่วันนี้แหละที่จริงเราไม่ต้องเราไม่ใช่มีแค่ปีใหม่ๆนะแต่เรามีวันใหม่ๆอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะที่จริงมันมีลึกนั้นอีกมันมีเวลาใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะทุกนาทีทุกวินาทีนะทุกเซียววินาทีนั่เป็นของใหม่ทั้งนั้นเลยนะเป็นของใหม่ทั้งนั้นถ้าเรามีสติที่มันว่องไวพอเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที or, today, ่มันเกิดข <mel> ึ้นนั้นเป็นของใหม่ทั้งนั้น อารมณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมันเหมือนเป็นของเก่านะแต่จริงเป็นของใหม่ทั้งนั้นนะอาการที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะจิตใจของเรามันเป็นมันรับรู้แต่อารมณ์ใหม่ๆทั้งนั้นแหละอดีตที่มันผุดขึ้นมามันโผล่ขึ้นมามันย้อนกลับมาก็เป็นอารมณ์อดีตที่มันมาเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นใหม่ทั้งนั้นแหละนะไม่ใช่ของเก่าหรอกนะอนาคตที่เราคิดถึงที่เราใฝ่หาก็ดีนะก็เป็น เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคตนะเรามีวันเวลาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนาะอย่าปล่อยวันเวลาให้มันผ่านไปอ่าผ่านไปเปล่าๆนะอย่าเพิ่งรอให้ถึงปีหน้าทําตอนนี้ก่อนนะทําเวลานี้ให้มันดีที่สุดนะทําวันนี้ให้มันดีที่สุดนะทําอะไรก็คือทอําความรู้สึกตัวนั่แหละให้มันดีที่สุดนะได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะอย่าไปประเมินอย่าไปคาดคั้นอย่าไปบีบคั้นตัวเองเกินไปนะ เราสร้างเหตุสร้างปัจจัยโดยการพราตัวเองมาปฏิบัติ ธ, ธรรมล้ก็วางใจว่าออปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลยังไงนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เราทำเหตุก็คือพยายามรู้สึกตัวให้มันมากๆนะพยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองนะรู้เท่าทันความคิดตัวเองให้มันได้เร็วๆนะรู้เท่าทันอาการที่มันหลงไปง่ายๆนะบางคนอาจจะติดจะดินนิสัยอะไรมา หลงเรื่องไหนง่ายนะก็พยายามลดละเลิกนะจิตนิสัยตรงนั้นมันจะเป็นการช่วยนะเป็นการเอือ้อเป็นการเอื้อในการปฏิบัติธรรมบางคนติดในการพูดมากนะก็ต้องลดละเลิกการพูดมากของตัวเองนะบางคนติดนะติดการชอบไปเพ่งโทษคนอื่นนะไปมองดูแต่โทษคนอื่นนะก็ต้องพยายามรู้เท่าทันตาของเราไปดูคนอื่นแล้วก็ สำรวจสำรวมใจตัวเองนะปากของเราคันแล้วก็สำรวจสำรวมใจตัวเองวันนะี้หนึ่งทีมือไม้ของเรานะักมันเร็วนะมันเร็วเห็นนั้ น, น, นเห็นนี้ก็ไปลนะนเดินไปแล้วทํานั่นทํานี่แล้วก็ต้องกลับมาดูดูใจของเราเองเพอเห็นใจตัวเองนะมันก็จัดการที่กายวาจาได้ง่ายนะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราดูกายเคลื่อนไหวแต่มันจะไปรู้ทันใจที่มันเผลอไปคิดไปนึกนะ ดูกายแค่มันเคลื่อนมันไหวเนี่ยเพื่อจุดหมายเพื่อให้มันดูเท่าทันจิตใจนะดูเท่าทันจิตใจก็ไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายเฉยนะแต่ดูเท่าทันจิตใจเพื่อให้เห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นของจิตใจนะที่มันเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นของกายด้วยนะรู้เท่าทันเพื่อให้เห็นความจริงนะรู้เท่าทันไม่ใช่เพื่อไปเปลี่ยนแปลงความจริงนะรู้เท่าทันเพื่อให้เห็นความจริงแค่นั้นไม่ใช่รู้เท่าทันแล้วไปเปลี่ยนแปลงความจริงที่มันเกิดขึ้น นะแต่หน้าที่การไปเปลี่ยนแปลงความหลงนี่เป็นหน้าที่ของธรรมะที่มันจัดสรรของเขาเองนะเป็นหน้าที่ของความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปจัดการไปจัดสรรไปปรับปรุงแก้ไขของเขาเองนะไม่ใช่เราไปตั้งใจไปจัดการแก้ไขแต่ความรู้สึกตัวหรือธรรมะนี่แหละนะเป็นตัวที่ไปจัดการแก้ไขเนาะก็เขาพูดธรรมะก็พูดธรรมะเป็นส่วนประกอบนะ เป็นส่วนประกอบเหมือนคล้ายๆเป็นเครื่องปรุงนะ <c oughs> ที่จริงทำมาที่เกิดจากการคูดเหมือนคล้ายๆน้ำปลาเหมือนน้ำตาลเหมือนพริกเฉยๆนะที่จริงอาหารที่เราทานนะมันครบอยู่แล้วแหละไอ้พวกนี้เป็นของให้มันมีรสชาติขึ้นมานิดนึงเฉยๆนะทจริงอาหารเนะี่ยเป็นส่วนที่เราประกอบขึ้นมาเองนะปฏิบัติธรรมนะี่ยแหละเป็นส่วนประกอบการฟังธรรมเป็นเครื่องปรุงในชีวิตเนีมันรู้สึกมีสีสันรู้สึกมัน ออยขึ้นนิดนึงนะแต่จริงคุณค่ามันอยู่ที่ตัวอาหารอยู่แล้วคุณค่ามันอยู่ที่การปฏิบัติ ธ, ธรรมของเรานะอาศัยการฟังธรรมเป็นตัวเสริมอารมณ์นะแล้วเราก็อาศัยความเพียรความบากบั่นนะหรือปัญญาในการพินิจพิจารณาของเรานะัาเป็นส่วนประกอบนะอย่าหวังพึ่งคนอื่นมากนะักให้พึ่งตัวเองเป็นหลักนะให้พึ่งให้พึ่งกายพึ่งใจพึ่งสติ ป, ปัญญาของเราเนะี่ยเป็นเป็นหลักนะ ค่อยๆมันดูกายดูใจของเราบ่อยๆนะเด็เราก็จะเข้าใจความจริงแต่มาเชื่อว่าทุกคนนั่นแหละมีสติปัญญามาทั้งนั้นแหละมีบุญมาทั้งนั้นนะถ้าไม่มีบุญไม่ได้มาที่นี่นะถ้าไม่มีบุญไม่ได้มาปฏิบัติธรรมหรอกนะถ้าไม่มีสติปัญญาเพียงพอนะไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้จักพาตัวเองมาสู่สภาวะในการที่เป็นนักปฏิบัติธรรมได้หรอกน ะ, ะเรามีสติมเมีปัญญาเรามีบุญอยู่แล้วแต่เรามาต่อยอด ปัญญาของเรานะมาต่อยอดบุญของเราให้มันยิ่งขึ้นไปนะเพื่อเดินไปสู่ทางพ้นทกุกันนะก็ขออนุโมทนากับทุกคน